ก็ขอจเจริญพรนะเราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการที่จะสดับและศึกษาประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันน <c oughs> ในการศึกษาคำสอนของพระบรมศ า, าสดานะและมาตรวจสอบดูในชั้นของคำสอนที่พระผู้มีภรคเจ้าได้ตรัสไว้ ที่พระศ า, าสดาตรัสไว้จะไปอยู่ในในอิติวาาุตกะก็จะมีกล่าวไว้นะเมื่อวานนี้พูดในเรื่องของทานพูดในเรื่องของทานกุศลถ้าหากว่าไปดูจากในชั้นคำสอนก็จะเห็นนวบอกว่าที่พระศ า, าสดาได้ตรัสเอาไว้ว่า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 ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าคำว่าคำว่าสัตสัตโลกเนี่ยนะถ้าตามบาลีเ็าเรียกว่าสัตตะเนี่ยก็แปลว่าผู้คล้องใช่เขาแปลผู้ค้อ ง, องถ้าโพสิทธ์โพโพธิสัตว์เนี่ยขเขาแปลว่าสัตผู้ค่้องสัตผู้คล้องต่อการตัสรู้หรือหรือผู้ค้องต่อการต่อโพธิ์ต่อโพธิญาณ สัตว์ผู้ที่คล้องอยู่กับโพธิโพธิยานทีนี้โพธิก็มีอยู่สมอย่างสัมมาสามโพธิปเจกับโพธิและก็สาวกาโพธิฉะนั้นเราจะเป็นสัตว์ธรรมดาหรือจะเป็นประเภทโพธิสัตว์ใช่ไหมหรือเราจะคล้องอยู่ประเภทอไรคล้องคล้องอยู่กับโพธิหรือไม่ไนีตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่า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 หรือศีลและบรารมีศีลก็เหมือนกันถ้าใครรู้จกักศีลอย่างที่พระบรมศาสดารู้เนี่ยนะบุคคลนั้นจะไม่รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนั้นเป็นไม่มีใช่ไหมนี่เราไม่รู้จักอานิสงส์ของศีลอย่างที่พระบรมศาสดาทรงรู้จกักเราเลยไม่น้อมที่จะรักษาศีลให้มันยิ่งกว่าชีวิตว่าศีลสําคัญกว่าชีวิตและเราก็ไม่รู้อานิสงส์ของเนคขมะบรารมี เราจึงไม่ได้บําเพ็ญเนกขมะบารมีว่าบุคคลที่เห็นโทษของกามทั้งหลาย <prere> หเห็นโทษของการคลองเรือนทั้งหลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เห็นโทษของวัตถุกรรมนี่แหละเห็นโทษของวัตถุกรรมนี่แหละถ้าเห็นโทษแล้วเนี่ยนะที่จักไม่บําเพ็ญเนกขมะอย่างที่เราบําเพ็ญก็ไม่มีเหมือนกัน<ด>ถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักใช่ไหมหรือถ้าได้รู้จักผลหรื อ, ออนิสง์ของปัญญาบารมีอย่างที่เรารู้จักแล้วเนี่ย น, นับุคคสัตว์เหล่านั้นถ้าเขารู้จักนี่นะอย่างที่พระศาสดารู้จักนั้นที่จะไม่บำเพญ็ญปัญญาบรารมีนั้นเป็นไม่มีวิ ร, ยริยะบารมีขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาบรารมีฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นรู้จักอานิสงส์ของบรารมีเหล่านี้พระองค์จึงน้อมที่จะบำเพญ็ญทานบรารมีเป็นต้นตรงนี้ท่านขับเน้นในเรื่องของทานเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวในเรื่องของทานในกุศลเป็นต้นเหล่านี้นะ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 จิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็ร sure> ู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตม <AH ีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ช네ัดว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตาจิตไม่เป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตา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 เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นนะในจิตบ้างเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบ้างเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้คือปัญญาเนี่ยนะเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือสติเธอเป็นผู้ไม่อาศัยตัณหาทิฐิอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นี่จบจิตตานุปัสสนาสีปทาน ถ้าเรามองตรงนี้ก็มาเชื่อมในคําสอนในครั้งที่แล้วก็คือเราพูดในเรื่องของทานใช่ไหมถ้าขับเน้นในเรื่องของทานอกุศลก็จะไปดูในชั้นขอ ง, ของคําสอนที่พอ่อระมา ศ, าศาสดาตรัสเขาไว้ในไหนไปดูในทานสูตรในทานาสูตรนานาเนี่ยนะพระศ า, ศาสดาได้ตรัสไว้ในอังคุตตระนิกายนะก็มีในสติกะและอัติกะนวกะนี่นะเริ่มเดียวกันเลยเนี่ยใน พระสูตรฉบับของมหามกุฎเนี่ยแต่นี่อยู่ในธรรมะธรรมะที่พระบรมศา ส, สดาตรัสไว้นี่เป็นธรรม้าหมวดหมวดหมวดหมดเจ็ดนะ น, นะเป็นสัตตกานิบาปที่บอกว่าทานสูตรเนี่ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ฝ่งสะโบกครณีชื่อว่าคักคราใกล้เมืองจำปรา ครั้งนั้นและนะจำปานครเนี่ยนะครั้งนั้นและอุบาสกชาวเมืองจำปามากด้วยกนันนี่หมายถึงพระบรมศาสดาสอนแก่อุบาสกนะเข้าไปหาท่านพระส า, ารีบุตรแล้วแล้วก็ถึงที่อยู่แล้วอภิวาสอภิวาทก็คือกราบไหว้นั่นแหละนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระส า, ารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำมีคาถาเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาพวกกระผมได้ฟังมานานแล้ว ขอได้โปรดเถิดพวกกระผมพึงได้ฟังทำมีคาถาของพระบรมศาสดาพุทธเจ้าท่านภาษาราบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายพึงมาในวันอุโบสถนะก็หมายความบอกว่าอุบาศกนี่เข้าไปหาพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านภาษาราบุตรข้าแต่ท่านผู้เจริญทำมีกาถาเฉพาะพระพักร์ ของพระบรมศาสดาพวกข้าผมได้ฟังมานานแล้วก็แปลวปรารถนาจะฟังธรรมพระพุทธเจ้านะไม่ได้ฟังมานานแล้วมาเล่าในภาษาริบุตรฟังเฉยๆนะสำนวนในลักษณะนี้แปลว่าอุบาสกปรารถนาอะไรปรารถนาจะฟังธรรมใช่ไหมปรารถนาจะฟังธรมรมภาษาริบุตรก็นัดว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงมานะวันอุโบสถนะถ้าสมัยก่อนเวลาอุบาสกทั้งหลายก็เข้าไปฟังธรรมเนี่ย เขาจะต้องตัดภาระตัดกังวลข้างนอกออกหมดบุคคลไหมตัดเลยอ่ะพระเจ้าเป็นดินในเวลาจะเข้าไปฟังธรรมของพ่อปรมศาสสดาพระเจ้าเป็นดินต้องตัดภาระจา ก, กงานบ้านงานเมืองหมดไหมตัดเลยนะใช่ไหมจะเข้าไปในวดัดจงถอดชุดกษัตริย์ออกเลยห้ามเอาสั ญ, ญลักษณ์เข้ามาเนะีอย่างเงนะฮะนีแ่แปลว่าเขาเข้ามาแบบความเคารพจริงๆใช่ไหมเด็กน้อมที่จะฟังธรรมมีกระถา ทุกวันนี้ที่ฟังทำกันไปอะไรไปเนอะอันนี้มันขาดความเคารพในพระธรรมจริงๆเนอะเคารพในพระธรรมโอ้โหผลไม่ค่อยมีผลเลยนะเราปรารถนาอยากจะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากไหมปรารถนาใช่ไหมใครใครเขียนในนั้นเส็จเสร็จเอาไว้ดูตอนกลางวันนะเอาไว้ดูกลางวันนะที่คนเขียนเขียนเขียนมาขาตรวจสอบตรงนี้ก็เดี๋ยวดูไปก่อนอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปต่อได้บ้างใช่ไหม เพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยวันนี้จะจะเดินจิตตานุปัสสนาแล้วก็เชื่อมโยงการทานบารมีทานทานกุศลอย่างไรนะเขาเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วเดินทานบารมีแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องรู้จักตัววัตถุทานด้วยแล้วก็จะไปกําหนดจิตอย่างไรใครควรจิตและทําที่เกิดพร้อม ก, กันกับจิตอย่างไรเป็นต้นนี้นะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังมาในวันอุโบสถท่านทั้งหลาย พึงได้ฟังทำมีคาถาในสำนักของพระผู้มีพระพากเจ้าแน่นอนพอได้พูดอย่างนี้อุบาสกก็ตื่นเต้นนะปีติปลาโมดกันใหญ่บอกว่าอุบาสกชาวเมืองจำปารำจำปาก็รับคำท่านภาษารีบุตรแล้วก็ลุกจากที่นั่งอภิวาททำประทักษินแล้วก็หลีกไปประทักษินกี่รอบสรอ บ, อบประทักษินเพื่ออะไรทำความกรรพ บ, บนะ คืออุบาสกและอุบาสิกาในสมัยครั้งพุทธกาลเวลาเข้าไปไหว้พระไปไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายาก็จะทําประทักษ์ศีลสามรอบแล้วก็ไหว้ในทิศทั้ง4ก็แปลว่าเนะะาะภาษาลิบุตรเนี่ยท่านจบกิจในริยสัจได้ยังจบแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วรอบสามอาการ12ท่านชัดแล้วเนาะบอกโอ้โหยืนยันว่ า, าพระพุทเจ้าก็จะเดินตามรอบสมอาการสิเหมือนท่านภาษาริบุตรและพระพุทธเจ้านี่แหละว่างั้นนะ ก็ไหว้ในที่ั้ง4นี้ทุกนี้ได้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ก็ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี้เห็นไหเป็นสัจจญาณ น, นะรอบหนึ่งเขไหว้อีกรอบหนึ่งเป็นกิจญาณ น, นะอีก4ครั้งก็ไหว้อีกรอบหนึ่งเอเป็นกัตตาญาณอีก4ครั้งเป็นเท่าไหร <12. S 1> ่รอบ3อาการ12บสก็ไหว้อย่างเงี้ยไหว้สรอบทําประทักษินแล้วก็ลีกป้ แล้วก็ไปไปทักษินแล้วก็กลับบ้านเราเนี่ยนะเลยไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่เคยไปไปรฏิญญาณเลยว่าจะเดินตามรอบสาอาการ12บสข้าพเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในสัจจความจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสัจใจสัจจความจริงคือพระศาสดาตัดสู้สัจจะแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าตัดสู้ทุกเนี่ยนะเป็นสัจจญานสมุทยัยโดยสัจจญานใช่ไหม แล้วโดยนิโรธแล้วก็มาร์กนี่โดยสัจญาณนี่ท้าข้าพเจ้าเชื่อสัจจะว่าพระพุทธมศาสดานี่รู้สัจจะใช่ไหมรู้ความจริงของสัจจะสี่ใช่ไหมคำว่าอริยสัจน่ะคือสัจจะของพระตถาคตคือสัจจะของพระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่สัจจะหรือความจริงของบุตรชนใช่ไหมแต่เป็นสัจจะของพระตถาคตเป็นสัจจะความจริงของพระอริยเจ้าลง ก็ไปแปลดีในความหมายของอริยสัตจ์นีย่ยเราเชื่อมั่นไงเรามีตถาคตาโพธิสัทว์เชื่อว่าท่านพวกเนี้ยตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิยานใช่ไหมแล้วก็เชื่อมั่นภาษาริบุตรว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าท่านพวกเนี้ยได้รับธรรมมวรดกระดับโล ก, กุตตะมรดกของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ไปเบ็ดเสร็จไปบอกท่านภาษาริบุตรได้ข่าวว่าท่านเนี่ย รับธรรมมามราดกของพระบรมศาสดาขอชมมรดกดิ์ธรรมของท่านหน่อยสิท่านก็หลั่งไหลพระธรรมออกมาให้ชมเลยเห็นไหมไปดูในคัมภีปฏิสัมพิธามักสิไปดูในจุรานิเทศมหานิเทศผลงานของภาษาริบุตรได้ไหมเยอะเลยหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ไงเราก็ได้เห็นแล้วไงนี่ไงคือธรรมมาบราดกซึ่งเป็นมรรดกของพระเจ้าที่ภาษาริบุตรรับมาเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าถ้ามีใครมาถามพวกเราล่ะท่านผู้มีอายุ อุบาสกวาสิกาทั้งหลายมาถามเราเนี่ยได้ข่าวว่าท่านนับถือพุทธศาสนามานานท่านคงได้มรดกของพระศ า, ศาสดามากแล้วขอชมมรดกของพระศาสดาหน่อยสิมีอะไรถึงนี้มีอะไรมา <c oughs> <c oughs> เอาออกมาให้โชว์ได้นิดเดียววันวันหนึ่งนอกนั้นมรดกของใครก็ไม่รู้ออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเพ่นผ่านไปหมดใช่หม ไม่มีมรดกของพระศาสดาเลยน่าอายนะใช่ไหมเกิดมาโอ้โหนับถือพุทธศาสนามาทั้งนานเป็นลูกของพระเจ้ามาทั้งนานน่าจะมีมรดกของพระศาสดามาโชว์มาอวดมาอ้างบ้างใช่ไหมไม่มีเลยเอาออกมาได้นิดนอกนั้นมรดกของมารทั้งนั้นออกมาทางกายกรรมวจิกรรมและมโนกรรมเนี่ยแหมนะน่าละอายใจไหมน่าละอายใจกลับไปขอขมาพระศาสดาที่อินเดียสักหครั้ง ร้อกเข้ามาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกไม่ดีแทนที่จะได้มรดกอันสูงส่งของพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าก็มัวประมาทวันวันก็ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอกุศลธรรมลรามกกไหลเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลาเผื่อคนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเป็นแถวเป็นแนว ก็เพราะข้าพเจ้าไปรับมรดกมามาวันนี้ข้าพเจ้ามาปฏิญญาจะขอรับธรรมะมรดกของพระศาสดาเริ่มตั้งแต่โลกิยะมรดกตั้งแต่สารณาคมเริ่มใหม่บอกนี่เธอเริ่มมากี่ชาติแล้วเนี่ยโหหน้าอายแท้หน้าอายแท้เข้าใจอยังยองแก้วเนี่ยที่พยายามมาพูดตลอดเวลาเนี่ยปราถนาเราท่านทั้งหลายช่วยกันระดมว่าเราเนี่ยจะหมดอายุไขกันอยู่แล้วใช่ไหม ยังไม่ได้มรดกอะไรของภาษาสดามาชื่นชมเลยอาจารยมีใครมาบอกว่าคุณเป็นพุทธบริษัทมาตั้งแต่เกิดได้ข่าวว่าอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็ปาเข้าไปจะหกสิบขวบเจดสิบขวบแล้วงั้นนะเอาลองขอชื่นชมมรดกของภาษาสดาไอาเลยไ ม, ไม่รู้จะเอามรดกตรงไหนไม่รู้จะเอาอะไรมาอวยไหมถ้าไปขอจากภาษารีบูตจะโหเต็มที่เลย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 ต้องคิดไม่ยอมพิชยาต้องคิดมาคิดนะโอ้เนีก็เราเป็นลูกของพระศาสดาเราต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกอามิสรรมรดกเนี่ยรับซะเยอะหมดบอกเราต้องการธรรมะมรดกอ่ะแล้วแม้เอาโลกิย亚มรดกก็ยังพอได้ขอให้ได้เหอะอันนี้โลกี้亚มรดกก็ยังไม่ได้ระดับศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกียะ ก็ยังเดินกับห้องกับแพง่งบางวันเนี่ยไม่มีธรรมะมรดกสักข้อเลยนั่งหน้าเครียดอยู่นั่นแหละปล่อยกายทุจริตวจีทุจริญมโนทุจริญเพ่นผ่านปล่อยกินคราวของกิเลสคลุ้งไปหมดโอ้โหคนดีหนีกันเกลี้ยงเลยต้องระวังใช่ไหมเพราะกลิ่นมันแรงในกลิ่นของทุจริตทั้งหลายลเรานี่มันแรงมากกลิ่นของกายทุจริตวจีทุจริญมโนทุจริญมีกลิ่นหมไม่มีกลิ่นนีกลิ่นคราวของกิเลสต้องล่องระวังเนาะ เพราะเราถ้ามีธรรมะมรดกของพระศาสดาจะปกกินคราวปิดกินคราวของกิเลสทั้งหลายไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านใครขอชื่นชมแล้วก็ให้ดูนี่ไงธรรมะมรดกของพระศาสดาออกมาจากกรรยายกรรมของข้าพเจ้าก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อใช่ไหมถ้าทางกรรยายกรรมก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม ทางมโนกรรมก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีความเห็นถูกต้องในกรรมสักตาสมาธิิเป็นไปกสุจริสามกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดแล้วก็ใจก็สะอาดโอ้อย่างนี้ก็ค่อยอยังชั่วใช่ไหมยังได้มรดกของพระศาษษษสดาพอมาอวดมาอ้างนิดๆหน่นนนอยๆใช่ไหมสาคัญจะไม่มีเอาเลยต้องระวังเลยนเะนี่ยบอกว่าอุตสาหเป็นลูกของพระเจ้ามาตั้งนานไม่ได้ชื่นชมมรดกของพระศาสดาน่าคิดมากเนี่ย ต่อมาถึงวันอุโบสถอุบาสกก็ต้องการนั่นแหละงั้นฟังธรรมคือต้องการไปรับมรดกพระทเจ้าวันนี้เวลาเรามาฟังภาษาธรรมของพระบรมศาสดาก็คือเป้าหมายก็คือมารับเอาธรรมะมรดกไม่ใช่มารับเอาอามิสส ม, มรดก ข, ของพระศาสดานะต้องตั้งใจรับไหมต้องทำกายกรรมวิรจรีกรรมโดยเฉพาะธรรมโนกรรมเป็นภาชนะอย่างดีที่จะลองรับธรรมะมรดกของพระศาสดา ถามว่าพระศาสดาเนี่ยตัดสรุนนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณต้องใช้เวลามากนะธรรมะเป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์เป็นของหมดจดเป็นของสูงเป็นของมีค่าเป็นของมีค่ามากเอาอะไรไปเปรียบเทียบไม่ได้เอาราชบัลลังก์เอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยนะไปเทียบหนึ่งบาทคาถายังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยเอาไปแลกกันหนึ่งบาทพระคาถานี่พุพพทธพจน์ยังไม่ได้เลย ฉะนั้นมีค่ามากกว่าอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องทําภาชนะอย่างดีใช่ไหมทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุดจริตประดุดังภาชนะทองคำเมื่อลองรับน้ํามันราชสีอะใช่ไหมลองรับพระธรรมเทศนานี่ยเองอย่าให้มีอะไรเจือปนดีไหมเออเนี่ยก็ถึงบอกน้อมฟังภาษสัธรรมเนี่ยเขาน้อมฟังกันอย่างนั้นเขาตั้งใจจริงๆนะเพราะต้องการที่ว่า โอ้ยเมื่อไหร่ธรรมะมระดกจะไหลลาดลดกระแสใจคนก็ไปเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าบาปอกุศลธรรมอลามกมันเต็มในใจอยู่เงี้ยมันจะลงได้ไหมมันก็ลงไม่ได้ใจมันหนักบ้างใจมันเครียดบ้างใช่ไหมใจมันแข็งกระด้างโดยทิฏฐิมานะบ้างใจมันหนักด้วยถีน้ำมิถ้าบ้างใช่ไหมใจมันร้อนใช่ไหมด้วยอุทะักกุกุจ่าบ้างและใจมันป่วยด้วยกิเลสทั้งหลายไม่คอยทิมคอยตําอยู่ตลอ ด, ดเวลาแล้ว มันจะรองรับได้ยังไงเราท่านทั้งหลายถ้าเรียนธรรมะด้วยใจสกปรกเนี่ยใจไม่สะอาดเนี่ยพระธรรมจะไม่เข้าใจจะไม่มีความลึกซึ้งในพระธรรมเลยฉะนั้นท่านต้องชําระกายกรรมวจิกรรมและมนโนกรรมนะเพื่อจะเป็นภาชนะทองรองรับพระธรรมเทศนาของพระศาสดานะเมื่อนานมาเวลาจะกล่าวพระธรรมออกมาก็ต้องชําระใจตนเองเหมือนกันนะชำระกายวาจ่ายและจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์นะ ว่าเราคู่ควรจะกล่าวพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเนี่ยพอพิจารณาเบ็ดเสร็จเงี้ยก็ต้องชําระตนไหมต้องชําระตนให้สะอาดให้หมดจดเอาทําแบบนี้ดีไหมใช่ไหมเขาทากันแบบนี้แหละเขาทำกันแบบนี้นี่ไงอุบาสกพอถึงวันอุโบสถมากันแล้วอุบาสกนี่กล่าวถึงอุบาสิกาด้วยนี่ <c oughs> ชาวเมืองจำปา ก, าก็พากันไปเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งดัตตควรส่วนข้างหนึ่ง รำดับนั้นท่านภาษาลีบุตรพร้อมโดยอบาศกชาวเมืองจำปาเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสด า, าถึงที่พระทับถวายอภิวาตแล้วนั่งนะทีิควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามพระบรมศาสด า, าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานเช่นนั้นนั่นแลถามเรื่องทานนะเจดนาใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเจดนาทานได้แก่เจดนาเจดสิกที่ประกอบในหมหากุศลจิตวาทใช่ไหม ส่วนวัตถุทานได้แก่อะไรได้แก่อะไรวัตถุทานได้แก่อะไรคําว่าวัตถุทานได้แก่อะไรเจตนาเจตนาทานนี่เป็นเออเป็นกลุ่มมหากุสลนะเป็นกลุ่มมหากุศลนะ น, ลมมศลนะแต่ถ้าวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไร สิ่งของอันใดอันหนึ่งทั้งหลายนะที่พึงให้ฉะนั้นสิ่งของนั้นชื่อว่าทานได้แก่วัตถุสิ่งของที่พึงให้มาจากคาว่าทาตับพพะวัตถุหรือทายธรรมะเป็นทยธรรมนั่นเองฉั้นทานจึงจัดเป็นสองในที่นี้ก่อนเนาะเป็นเจตนาทานแล้วก็วัตถุทานในเจตนาทานเขาก็แบ่งตามการปุพพะเจตนาทานหม เจตนาที่เกิดก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้ให้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่คิดน่นะตั้งแต่คิดว่าจะทำจะให้ทานเนี่ยตั้งแต่การสแสวงหาด้วยไมยสแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นทายา ร, รมมูนจะเจตนาทานก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะก็กำลังให้อัปรัตเจตนาทานเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ทานเสร็จแล้วด้วยด้วยพร้อมกับอะไรปีติเกิดไหม มติเกิดอิ่มใจเกิดในการให้เป็นต้นการทั้งสามเนี่ยเป็นปุพพัฒนเจตนาทานเป็นต้นเนี่ยถ้าได้โอกาสสามารถส่งผลในปฏิสนธิการเป็นต้นได้แต่ต้องแต่ต้องเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่กล่าวไว้สําหรับผู้ทูตศีล น, น่ยนะที่จะเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยต้องขับเน้นให้ชัดอันนี้แปลว่าอะไรทานที่ถูกกํากับโดยศีลใช่ไหม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 ทุกขติงนาภิชานามิเอกะปบผัดสิทังพลังบอกว่าการบูชาด้วยดอกไม้หนึ่งดอกทำให้ข้าพระเจ้าไม่เคยรู้จักความเป็นอยู่แห่งทุกคติพบมีนรกเป็นต้นเป็นอย่างไรตลอดเวลา80โกรอายุกับหรือตลอด80โกรชาตินี่แหละเป็นอันดีสงผลที่ได้รับจากการถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจว่า ดอกไม้เนะนี่ยนี่นี่นะดอกไม้หนึ่งดอกเนะนี่ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่ดอกเดียวด้วย น, ะนี่มันยงช่อเนี่ยนะทำยังไงจะได้8ปดสบโกรดกับอายุคูณห้าคูณห้าโปรโกรดเอแปดสิบโกรดกับอายุคูณห้าโกรดกับนะ8ปสิบโกรดนะคูณห้า ที่เขาได้คูณห้าเนี่ยเขาเขาเริ่มตั้งแต่ไหน <Okay. S 1> เออปุบพาเจตนาทานฉะนั้นปุปุบพาเจตนาทานเนี่ยสำคัญนะปุบพาเจตนาทานเนะี่ยใครสามารถเดินปุกพาเจตนาทานได้ละเอียดละ อ, อันนี่นะเพราะตัวทานนะว่าเจตนาทานทั้งหลายขับเน้นที่ตัวเจตนาไนงะเจตนาที่เป็นไปก่อนกระทาทั้งหลายเนี่ยนะ แล้วตั้งแต่การแสวงหาวัตถุการไข้ควรการพิจารณาการวิจัยเป็นต้นไปตามลำดับเอาดอกไม้เนี่ยเอาดอกไม้ที่เป็นไปในอนาคตในขณะที่ตนเองแสวงหาเป็นโรงงานผลิตกุศลเนี่ยเป็นโรงงานผลิตกุศลผลิตเม็ดของกุศ ล, ละชาวนาให้เกิดขึ้นอย่างหนานแน่นนี่ยทายังไงน่แหละท่านถึงผลิตไปเรื่อยท่านถึงแสวงหาเป็นไปตามลาดับใช่ไหม คิดว่าจะทําบุญให้ทานหรือตั้งแต่การแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นทายรรมหรือเป็นวัตถุลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกปุบพาเจตนาทานทั้งหลายก็ใคร่ควรใช่ไหมอันนี้เป็นตุเป็นเป็นองค์กรกบแห่งการที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการผลิตและเป็นเป็นวัตถุนะเป็นเหตุและเป็นกัลยาณ์และเป็นเหตุและเป็นเหตุแห่งการที่จะทําให้กุศลและเจตนานั้นเกิดขึ้นอย่างหาประมาณมิได้เป็นกุศลและเฉลน่าเกิดขึ้นอย่างมากมาย นั่นแหละปุบพ้าเจตนาทานนั่นแหละปุบพ้าเจตนาแต่ยาแต่ยาเมือรลอยเออนั่นนั่นนะทีนี้การตรึกการไข้ควรเนี่ยนะถ้าในขณะ้อยต้องยิ่งฟังเรื่องปุบพ้าเจตนาทานได้ชัดนะเพราะจะได้ไม่ปลาลบเรื่องอื่นไงปลาลบเรื่องทานนะปลาลบเรื่องดอกไม้ที่จะถวายรอดอันนี้ก็เลยกลายเป็นมุมอื่นไปไง อันนี้ต้องมุมนี้ไง น, นี้เราต้องการมุมนี้เพราะขั้นให้ปารลอะไรให้ปารลรูปเป็นทานใช่ไหมเสียงเป็นทานกลิ่นเป็นทานรสเป็นทานผดทพายและธรรมะธรรมรมเนี่ยเป็นทานนี้จะเอาอะไรเป็นประธานในการปารลบเห็นไห ม, ไหมเด่นชัดในใจสีพระวรากายของพระบรมศาสดามีสีทองผ่องงามไพด้วยฉับพันนลังสี ด้วยสัพพัญยุตยานอนาวรณญาาอินทรียาปรโปรปเรติยานมหาการุณาสมาปัฏิยานยมกะปฏิหาริย า, ยานแล้วก็อาศยานุสยายานของพระบรมศาสดาที่ไหลอยู่ในหัยาวัตถุของพระบรมศาสดา ท, ทำรัศมีเ ป, ปล่งปรา่งร้างออกจากพระวรกายเป็นฉับพันตรลังสีเราจะทําจากไหนเนี่ยที่จะร้อยพวงมาลัยเนี่ย ถ, ถวายพระบรมศาสดาเนี่ยทำสีทองผ่องอมไพร์ต่างๆ่างอะเนี่ย ให้พิจารณาเราจะเอาสีสีนี้เป็นประธานจะเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาผลิตภัณฑ์เอาธรรมารมณของดอกไม้นี้เป็นบริวารเนี่ยนะเริ่มใคร่ควรเป็นไปตามลำดับในลักษณะอย่างนี้ก็มาวิจัยเป็นไปต า, ตามลําดับมือที่กําลังทําใจที่กำลังคิดนี่เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วก็สารเสริญคุณของพระศาสดา พ, พูดไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยในขณะนั้นน่ะ วจีกรรมตอนนั้นก็เป็นทานนกุศลไม่ทํากายไม่ทําวาจาให้เคลื่อนไหวอยู่นิ่งๆใครใ่ควรพิจารณาเห็นพระคุณของพระาศาสดาด้วยการระลึกจะถวายสีเป็นประธานแล้วก็เอาเสียงกินรสโพธตภัณและธรรมอารมณ์เป็นบริวารเนี่นะเป็นมโนกรรมที่เป็นทานนกุศลเราได้ทานเราได้ได้ทานกุศลทางกายกรรมที่เป็นทานวัจีกรรมที่เป็นทานมโนกรรมที่เป็นทานนกุศลแล้วเราได้บูชาพระาศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นี้แล้วเนาะเป็นบุญยร า, าบของเราแล้วเนอะใครควรไปเลยจนปีติเกิดนะยอม mm hmm. จนปีติปราโมดปัิสธิความสุขเกิดเนี่ยต้องอย่างนี้สิบุญถึงจะเกิดจะเข้าใจว่า mm hmm. เ, ขเขาตรึกกันอย่างนี้ก็ใครควรอย่างนี้ให้คืออย่างนี้นานยิ่งดี เราจากเอาดอกไม้เอางานการที่ทำเป็นโรงงานผลิตกุศลชาวนะถวายเป็นพุทธบูชาเข้าใจว่าถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหม เ, เหมนี่ยดีแล้วเ <inferior> นี่ยนั่นแหละดีไม่ทำเป็นเดือนเป็นปีทำไปเถอะตายในขนาดนั้นจะได้มากกว่า80โกรธกลับ <inferior> เอาใช่ไหมเ <Doing S 2> พราะเราถวายผู้มีคุณนะ่ยใช่ไหมเราถวายผู้มีคุณนะ่ คิดดูว่าสัพพยุตยานกว่าจะได้มา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัรเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันวิญญาณขันที่สัมยุตกับสับพพยุตยานนั้นกว่าจะได้มาก็ตั้งใช่ไหมสียี่สประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัรรูปปักายที่ประดับไปด้วยมหาปุริสละขนาด32และอนุพยัญชนะ80 กว่าจะได้รูปรกายนั้นมาเนี่ยนะที่เป็นรวมเป็นขันห้าของพระบรมศาสดานะยีประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมาหากราบเนะ่ยเริ่มตึกตั้งแต่ไหนตอนนี้เริ่มตึกตั้งแต่มานอบนมนะมแบกมารดาข้ามมหาสมุทรในสัมปรวิบากโอ้โหชัดเลยตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนี้สิใช่ไหมคิดอย่างนี้โอ้โหได้อะไรใช่ไหมเราจะถวายรูปเป็นทานถวายสีเสียงกินรสโพธ h a p และทำมารมณ์เป็นทานเนะี่ยลองดูผลที่นี่นะ ใช่ไหมผลจะมาอย่างไงอายุใช่ไหมก็มคูณห้าคูณห้าไปสิอายุใช่ไหมอายุเราจะมีอายุเนะ่เป็น80โกรกับอัตภาพใช่ไหมเอาสิวันนะก็จะมีผิวพันธ์ผ่องใสนะ่ยยิ่งกว่าโกรกับอัตภาพชาติเนี่ยว่าไว้เยกับนนี่วาอย่างเงี้ยก็ไล่ไปนะสุขะคือความสุขก็จะเกิดขึ้นใช่หมนั่นแหละ80โกรกับอัตภาพ กำลังก็จนผู้มีกำลังดีนะ่ะแล้วปฏิภาณในที่นั้นคือปัญญาเพราะวิจัยไงสร้างเหตุคือการวิจัยไงปัญญาถึงได้ตรงนี้การบูชาดอกไม้หนึ่งดอกทำให้ข้าพระเจ้าไม่เคยรู้จักความเป็นอยู่แห่งทุกขติพภมีนรกเป็นต้นเป็นอย่างไรตลอดเวลา80โกดอายุกลับหรือตลอดเวลา80โกดชาตินี่แหละเป็นอดีสงผลที่รับจากการถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวเอาสิ เห็นไหมเหตุตรงนี้เขาสร้างถูกเสียดายไม่ฟังเรื่องนี้ก่อนนี่แหละเนี่ยเออดีแต่ต้องต้องให้ได้เหตุปัจจัยอย่างนี้ด้วยเนาะฮะอ๋อท่านขับเน้นตัวกุศลและเจตนา ใช่ใเพราะว่าของปราณีดใช่ไหมอยู่ที่จิตที่ปราณีดด้วยอยู่ที่จิตปราณีดด้วยนะปราณีดระดับชั้นต่ําชั้นกลางและชั้นปราณีดเดี๋ยวจะขยายให้ดูว่าเขาปราณนีดยังไงนะเดี๋ยวจะไปขยายคําว่าปราณีดเพราะปราณีดจริงจวัตถุปราณีดปลาปลาหีดแต่วัตถุไม่พอต้องกุศลต้องชั้นปราหนีดด้วย เอาชันทิตที่บาดยังไงวิริยทิตที่บาดยังไงจิตติที่บาดยังไงวิมังสิต ท, ที่บาดยังไงที่ไปเกี่ยวข้องกับการน้อมบูชานั้นนั้นมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้พูดเรงจิตตานุปนัสสนานะเพราะตอนนี้เราจะเอ า, เอาตัววัตถุทานเนี่ยใช่ไหมสรุปอย่างนี้ต้องการให้เรามองว่ารูปประคันทั้งหมดนี้เป็นวัตถุทานใช่ไหมจิตทั้งหลายที่เราศึกษาจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานเนี่ยอันนี้เป็นกุศลเจรนาทาน อันเนี้ยดังการแยกรูปแยกนามตรงนี้นี่แหละที่จะไปขั้นตอนอย่งการเจริญจิตตานุปัสนาใช่ไหมถ้าโูกกรรมฐานต้องแข็งแรงก็แปลว่าถ้าวัตถุทานยังไม่ชํานาญเลยเจตนาทานก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยนะเราต้องคนเขาต้องให้วัตถุเนี่ยการให้วัตถุเป้าหมายคือขับเน้นให้ได้เห็นความปราณีตของกุศลเจตนานะั้นที่เป็นไปในทานเจตนากุศลนี่ตรงนั้นนะนะตอนนี้เราก็คือจะเราจะเดินกองทัพอะไร ทานาเะเจนะกองทัพอะไรทานาเจตนาโยธา <ทำ S 1> ก็จะเอกจะขับเคลื่อนกองทัพของทานบารมีทานากุศลฉะนั้นปริมาณเห่งการที่เราจะขับเคลื่อนทานบารมีเนี่ยนะต้องใช้เจตนาเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวชักนำสัมปยุทธธรรมที่เกิดพร้อมกันตนนะ่